สาษแมเนน่เนี่นะเซเลชารินีเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อพูดสักทนา่ีน ะ, ะ, ะสนาทีอะสินาทีโอเคตกลงสิบนาทีอสิบนาีนาเดี๋ยวตั้งใจฟังนะที่จะพูดต่อจากนี้เนี่ยไม่มีในหนังสือนะ หนังสือนี้ก็เดินไปอ่านกันที่บ้านนะกับพ่อกับแม่นะแต่ว่าที่จะพูดตอนนี้เนี่ยนะมันไม่มีในหนังสือและจะมีเรื่องดีๆไล่ฟัง น, นะวันนี้นะเป็นวันที่โยนพ่อโยนแม่ของเรามีความสุขมากอีกวันนึ่ง น, นะแล้วถ้าสังเกตดีๆนะ รอยยิ้มเนี่ยของหลวงพ่อหลวงแม่เนี่ยยิ้มกว้างกว่าเมื่อวันที่สิบเก้านะวันที่สิบเก้านี่ท่านก็มีความสุขอยู่แล้วนะเพราะว่าได้เห็นพวกเราเนี่ยนะเหมือนกับมาเข้าโรงเรียนนะเพื่อมาฝุกตนให้เป็นคนเข้มแข็งนะเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ดีมีสุขนะแต่ว่าวันนั้นยังมีความวิตกกมมังวลนะ ยางกังนวลว่าลูกเราเนะจะไหวไหมแล้วก็บางทีก็มีความอะไรอาวรเพราะว่าไม่เคยได้จากลูกสุดที่รักนะนานอย่างนี้ถามมาทิ์แต่วันนี้เนี่ยนะยมพ่อยมแม่เรามีความสุขมากเพราะว่าหนึ่งไม่มีความกนะังวลละและสองภาคภูมิใจภาคภูมิใจที่พวกเราเนี่ยได้ทำสำเร็จนะ ทำได้นะที่คิดว่าลูกตัวเล็กๆนะจะดูไม่ไหวนะติเงินความยากลำบากไม่ได้ทนะ่นนี้อนะความพิศอกนี้หายไปละเพราะว่าเรามาจนถึงวันนี้ได้แสดงว่าเราก็มีดีนะแล้วก็มีดีใจอย่างนะัก็คือว่าดีใจที่พวกเรานะจะได้กลับไปกนะลับไปสู่อ้อมอกของท่านนะ พากเราคงดีใจเหมือนกันนะที่ได้กลับไปสู่อ้อมอกของพ่อแม่แล้วคิดว่าหลังจากวันนี้ไปในพวกเราเนี่ยคงนะจะรักบ้านมากขึ้นเลยนะทำไมถึงรักบ้านมากขึ้นเนะ<ม>พราะว่าอ่นะไม่ได้เห็บนบ้านนานแล้วแล้วก็พบ ว, ว่าบ้านนี่เอมันสบายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะหลังจากที่ได้มาอยู่วัดสามอาทิตย์เนี่ยนะ ทุกคนรู้แล้วว่าบ้านเราสบายกว่าใช่ไหมนะไม่ต้องเข้าคิวเวลากินอาหารไม่ต้องตื่นแต่เช้านะตีสีนะ่ตีห้าบางทีจานก็ไม่ต้องล้างเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปบินทบบาดนะที่บารแถมอาหารก็ถูกปากอาหารที่นี่ก็ดีแล้วแต่ก็คงจะสู้สีมือของคุณแม่ของเราหรือว่าคุณยายไม่ได้ มันคุณพ่อก็ทําให้ด้วยนะใคที่บน่นว่าโอยบ้านนี่ไม่สะดวกเลยนะอาหารก็ไม่อร่อยเนี่ยน่าจะวันนี้ไปเนี่ยจะรู้สึกเลยอาหารที่บ้านอร่อยมากใสที่บน่นว่าเวล า, น, า น, นอนนี่มันมันร้อนนะไม่สบายเลยเนี่ยกลับไปถึงบ้านจะรู้สึกเลยว่าหอ้โหที่นอ น, ท, น, อนที่บ้านาสบายนะเพราะว่าเรานอนคนเดียวบ้างนอนสองคนสาคนบ้างบางทีเปิดแอร์ด้วย มื่อวนี้ก็ได้แจกนะประกาศเนีัดไปนะจะเรียกวัตถีบัตรก็ได้เป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถของเรานะอันนี้เป็นเครื่องหมายแต่ถึงแม้จะไม่ได้แจกนะไม่ได้แจกวิติีบัตรเนี่ยเราก็ควรจะภาคภูมิใจนะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะ ว, ว่าการที่เราเนี่ยบวชมาจนถึงวันที่ได้เนี่ยแล้วก็คลองผ้าเหลืองหรือหมผ้าขาวเนี่ยครบ ยี่สิบห้าวันต้องเรียกว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งนะรู้จักปรับตัวปรับใจแล้วกลุ่มของเรานี่เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ผ่านการทดสอบได้ครบร้อยเปอร์เซ็นนะร้อยเปอร์ซนวันที่ส9บเก้าวกกี่คนนะวันนี้ก็สุดจำนวนเท่านั้นคนนะ ไม่ได้น้อยไปกว่าวันบวชเลยปีก่อนเนี่ยคนศึกเนี่ยน้อยกว่าคนบวชนนะคนศึกวันที่สิบสองเนี่ยนะเพราะว่าศึกกันตั้งแต่วันแรกๆบ้างนะหรือไม่ก็สุดกองกลางค่ายแต่พวกเรามีเข้มแข็งเจ็บป่วยยังไงนะลาบากอย่างไรที่ถึงพ่อแม่อย่างไรคิดถึงบ้านอย่างไรก็ก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมพอถอยนะก็สู้ อันนี้ก็ถือว่าพวกเราเนี่ยสมควรที่จะภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแต่เป็นลูกของพระพุทธเจ้านะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งหนึ่งในชีวิตนะเราได้มาใกล้ชิดแนบแน่งกับพระพุทธเจ้านะมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลานของพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดะีนน่าภาคภูมิใจ นะและเมื่อเราสุดท้าลาเพศไปแม้เราจะไม่ได้คลองผ้าเหลืองหรือว่าผ้าขาวก็ขอให้เราเระลึกว่าครั้งหนึ่งนะเราก็เคยนะอยู่ใกล้ชิดศาสนามากและยังสามารถจะใกล้ชิดได้ถึงแม้จะไม่มีผ้าเหลืองไม่มีผ้าขาวแล้วนะเราเป็นสามัเดนได้นะแม้ว่าจะกลับไปบ้านนะแม้ว่าจะไม่มีผ้าเหลืองผมกลุ่มกาย แต่เรามีเป็นสามัญในที่ใจสีลจารีนีของมันจันนะถึงแม้ว่าเราจะสวมเสื้อสีนะแต่ว่าในใจเราอาจจะเป็นเหมือนกับนัก บ, บวชที่ยังขาวสะอาดนะเป็นสีราจารีมีนะในหัวใจเขาเรียกว่าถือบทที่ใจก็ได้นะอย่างที่บอกไว้นะว่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใหม่กว่าเดิมจนถึงวันนี้เนี่ยเราต้องใหม่กว่า เราต้องดีกว่าคนที่ดีกว่าตัวเราโม้นที่19ตัวเราม้นที่19เป็นอย่างไรเนี่ยวันที่1 2สเมษารเราต้องดีกว่าเดิมนะเราต้องดีกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมนะเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยก็ขอให้เรารักษาความดีเอาไว้เหมือนเกลือรักษาความเข้ม น, นะเราทําดีมาเยอะแล้วรักษาความดีให้ได้กลับไปบ้านก็เป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่นะเป็นลูกที่น่ารักนะของพ่อแม่เป็นหลานที่น่ารักของปู่ย่าตายายนะที่เคยตู้ที่ที่บนอ่าที่เคยซื่อนะก็ให้มีความอ่อนโยนนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นคนที่อ่าดีนะสมกับเป็นลูกของพระเจ้าดีนี่ดีอย่างไรนะ นะดีอย่างไรเนี่ยเราได้เรียนมาเยอะนช่วงสามวันที่ที่ผ่านมาแต่จะขอสรุปสั้นๆนะว่าเมื่อเร า, นะากลับไปที่บ้านขอยเราดีอย่างน้อยเนี่ยสามหรือสี่ประการก็แรกคือให้เป็นคนมีน้ําใจเป็นคนมีน้ําใจนะแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่บ้านเราอาจจะเป็นใหญ่ในบ้านเพราเราเป็นลูกคนเดียวมาที่นี่เราก็ได้เลยรู้ว่าคนเราเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะ และเราก็ต้องมีน้ําใจเพื่อเฟือช่วยเหลือกันนะความมีน้าใจเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีนะมีเด็กคนหนึ่งนะจ่ชื่อต้องกันนะเป็นเด็กอนุบาล น, นะโดยอนุบาล น, นะปีสองปีสามนี่แหละอายุก็สี่ห้าขวบไม่ถึงห้าขวบที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการติดประกาศว่านักเรียนคนไหนทำความดีใครที่ทำความดีก็ได้ดาว มีนเรียหลายคนนะได้ดาวคนละสี่ห้าดวงนะแต่ว่าน้องแบกเนี่ยมีดาวติดอยู่แค่สองดวงแม่มาเห็นแม่ก็รู้สึกหนักรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะว่าดาวเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับนักเรียนที่เป็นคนดีนะเป็นเด็กที่มีน้ำใจนะเป็นเด็กที่ขยันถึงจะได้ดาว แม่น้องแบงค์ไม่เห็นทําไมลูกตัวเองมีแค่สองดาวพูดถึงเขามีสีห้าดาวกันไอ้ลูกเกิดลูกเป็นคนดีทําไมได้แค่สองดาวมันมีอไรผิดผ้าดหรือเปล่าหรือว่าลูกจะเป็นคนเกเรที่โรงเรียนดีที่บ้านแต่ไปเกเรที่โรงเรียนไปถามครูครูบอกเปลาจริงๆนะเนี่ยน้องแบงค์เนี่ยได้ห้าดาวนะแต่ว่าน้องแบงค์เนี่ยเห็นเพื่อนีเขาไม่ได้ดาวเลยมีเพื่อนหลายคนไม่ได้ดาวเลยน้องแบงค์สงสาร น้องแบมก็เลอาดาวไปให้เพื่อนนะโดยมี5้าดาวก็แบ่งให้เพื่อนสักสามดาวโดยได้แค่สองดาวนะน้องแบมนี่รักเพื่อนนะสงสารเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ดาวก็แบ่งให้เขาบ้างเขาจะได้มีความภาคภูมิใจนะน้องแบมทีไม่สนใจหรอกฉันมีกี่ดาวนะเพราะว่าดาวเป็นเรื่องภายนอกนะข้างในเนี่ยน้องแบมมีความสุขและที่เป็นคนดีท่านี้เป็นคนมีน้ำใจนะ อ่อาเห็นเพื่อนเขาเดือดร้อนก็อยากจะช่วยนะเขาทําปากกาหายก็เอาปากกาแบบให้เขาบ้างเนี่ยเราเป็นคนมีมน้ำใจเราเนี่ยเริ่มต้นมีน้ำใจนะกับพ่อแม่ก่อนก็ได้นะเริ่มต้นมีน้ำใจกับพ่อแม่ช่วยงานพ่อแม่บ้างช่วยาา ย, ยังไงช่วยดูแลสุาพตัวเองเวลาตืา่นเช้าขึ้นมาเสร็จที่นอนเองบ้างเวลาจะกินน้ําก็ตักน้ําดื่มน้ํำกินเองบ้าง เวลาอยากไปกินอะไรก็ไปหามาไปตู้เย็นไม่ใช่ไปบอกแม่ให้ช่วยหยิบมาให้ล้างจานก็อ่ากินข้าวพลางจานเองบ้างนะช่วยงานที่บ้านบ้างเวลาเห็นบ้านก็เปิดไฟทิ้งค้าเอาไว้ในห้องน้ําห้องนอนได้ใช้แล้วก็ช่วยตักนะอันนี้เรียกว่าเรารับผิดชอบแนะเรามีน้ำใจนะและเรามีน้ำใจกับพ่อแม่ก่อนพ่อแม่นี่เป็นเหมือนอาลขันของลูก และจากการมีน้ำใจต่อพ่อแม่ก็มีน้ำใจกับพี่น้องแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนๆมีน้ำใจแม้กระทั่งกสัตว์นะสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะไม่ว่าจะเรารู้จักไม่รู้จักนะแม้จะเป็นชิ้ตกชิ้นแจก็มีน้ำใจนะไอความมีน้ำใจของเราเนี่ยบางทีมันมีมันส่งผลอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะที่ประเทศลังกานะ มันมีมันมีเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยมันอยู่มันอยู่ติดกับทะเลเลยนะติดกับมหาสมุทรอินเดียลังกาเนี่ยมันมีลักษณะมันจมน้ํำนะอยู่กลางทะเลแล้วก็เมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลใกล้ๆชายหาดจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกชอบไปที่ไปที่เออไปที่แอ่งน้ําแอ่งน้ําที่มันอยู่ในแผ่นดิน นะแต่ว่ามันเชื่อมต่อกับทะเลเขาก็ทุกวันนี้เขาก็อาเอาอหาหารมันไปให้ปลากินปลามันชอบมากินทุกช้าเ น, นี่ยาก็รู้เลยปลาก็รู้เลยว่าเขาจะมาให้อาหารเขาก็หอาหาทุกเช้าวัวนนึงเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปลานะมีจระเข้มาด้วยเป็นจระเข้มนะจระเข้มันมา มันเห็นปลามากินข้าวกินอาหารมันก็เลยมาบ้างถ้าเราเป็นชายคนนัน้นนี่เราจะให้อา ห, หารจระเข้มะไม่ครับให้นะใจดีมากมผู้ชายคนนี้ให้นะแต่คนในหมู่บ้านบอกให้ทําไมจระเข้มันสัตว์รุนแรงไม่น่ารักเลยแต่ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจนะถือว่าให้ปลากับให้จระเข้ก็เหมือนกันสงสารรักปลาต้องกกรักจระเข้ด้วย วันนึ่งนะวันนั้นคือวันที่26ธันวาคมปี2547เกิดเรีย่ยง26ธันวาคม47วันนั้นเกิดอะไรคือรู้ไหมวันนั้นเกิดอะไรคือรู้ปัจบันในเมืองไทยเิดสึนามิถูกต้องวันนั้นเกิดสึนามิที่เมืองไทยและสึนา ม, มินั่นก็มันก็กระจายะยจนถึงพมา่าแล้วก็ลังกา ชายคนนั้นเนี่ยอยู่ที่แอ่งน้ำกำลังจะให้อาหารปลาให้อาหารจระเข้ตามปกติเพราะวา่าคลื่นทะเลสูงสิบเมตรมันซัดเข้าหาฝั่งนะมันซัดราวาฟัเสร็จมันก็มันก็ดึงมันก็ล่าเอาทุกคนเนี่ยลุกทั้งสิ่งของเช่นบ้านเรือนเนี่ยไหลไปตามทะเลด้วยไหลเข้าไปในออกไปในทะเลเลยผู้ชายตัวนี้เนี่ยเขาถูกคลื่นซัดเนี่ออกไปในทะเล พอนะั้นแกจมน้ำแกก็พออยายามที่จะพยายามที่จ ะ, ะพุ่งตัวให้ขึ้นมาเหนือผิน้านะแล้วก็คว้าเลยแล้วก็คว้าคว้าไม้ค ว, คว้าได้แต่ความไม้มาหยุดหลุดมือพอเอนั้นะเห็นท่อนไม้ท่อนใหญ่อีกท่อนหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะเขาก็เลยรีบคว้าแลว้วก็กอดเอาไว้แน่นะและท่อนไม้นะี่ะมันก็ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำนะ ตอนนั้นเนี่ยมันทุนลักทุเลยมากนะแต่ว่าก็พยายามก่อไว้เพราะถ้ า, าไม่เก่อ น, นี่คลื่นมันซัดออกทะเลตายแน่นอนเขาก่อท่อนไม้นี่อยู่สักพักก็สังเกตว่าท่อนไม้เนี่ยมันไม่ไหลไปตามคลื่นคลื่นมาแางนี้ใช่ไหมแต่ท่อนไม้เนี่ยมันไหลไปที่ตรงข้ามมันคืออะไรไคือสารเคมี่าะเทมตัวไหนสา ร, รเทมีปนข้าอาหาร ไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้จอร์เก้ที่เขาใหอาหารเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันสำเนึ่ในบุญคุณของเขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญจอร์เก้มาช่วยเขาเพราะว่าสำนึ่ในบุญคุณที่เขาให้อาหารไอ้ความมีน้ำใจของเราเนี่ยนะมันไม่สูญเปล่านะมันไม่สูญเปาตอนที่เราช่วยเขาเนี่ยเราก็มีความสุขและต่อไปถึงเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราก็อาจจะได้รับความช่วยเหลื อ, อ จากคนนั้นก็แด้จากคนอืนก็ไล้ที่เข้าประทับใจในความดีของเราในความมีน้ำใจของเราจำเรื่องที่หลวงพ่อเล่าแล้วหนมะผมเนี่ยนะที่มันได้อาหารมาจากเจ้าของมันไม่มันกินไม่หมดนะมันแบ่งให้ใครมันแบให้ปลาปลาอะไรปลาค้าบปลาท้าบอยูใ่ในสระมันก็แบ่งให้ปลาค้าบ ท, าทีละตัวทีละตัวปลาค้าบกีต่อไปตัวอื่นมามันก็แบ่งให้ มืนกัมันป้อนเลยนะมันจะป้อนเลยป้อนป้อนด้วยป่าก น, นี่ถนาดงงนะมันยัมีความรักสัตว์ต่างพัๆเลยนะ <Okay. S 1> ก็ให้เรามีตั้งใจของด้วย <Okay. S 1> ตอนสองคุณขอยเรามีความขียนมั่นเทียนนะมีความเขียนมั่งเทียนคนเราเนี่ยจะเก่งแค่ไหนจะรวยแค่ไหนถ้าไม่มีความขยันนะไปไม่รอดนะจะรอจะรอเส้นสายก็ไม่ได้นะ ่เราเส้นสายก็ไม่ได้นะจะรอโชคก็มีก็เราเป็นคนโง่นะอยากได้อะไรต้องทำเอาอยากประสบความสำเร็จนะต้องขยนันอยากได้ความรู้นะต้องขยันเรียนอยากได้คะแนน ด, ดีนะก็อย่าไปชุกจลิกนะอย่าไปลอเาอย่าไปลอกของใครต้องขยนันขึ่งความเจริของตัวเองคนเราเนี่ยมีความสามารถนะเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้นะ วันก่อนเนะี่ยตอนมาดูคลิปนะหลพอดูคลิปนะมันเป็นเด็กญี่ปุ่นนะก็มีการแข่งขันเด็กก็อายุประมาณเจ็ดแปดขวบสิ่งที่ต้องทําก็คือว่ากระโดดข้ามข้ามสิ่งกีฬาสิ่ง ก, กีฬากระเดดโต๊ะอนะันนั้นก็เรียกเป็นบาร์นะบาร์เนก็เป็นเป็นถึงโต๊ะสูงประมาณหน้าอกเนะี่ยหน้าอกเด็กนะเด็กก็ต้องทำที่กระโดดข้ามไอ้ไอ้บาร์นี้ให้ได้ เด็กคนหนึ่งก็ทําได้หมดนะค่ะแต่เด็กคนเนี้ยทําไม่ได้กระโดดไปก็ติดนะติดบางทีก็ค้างอยู่บนไอ้บานนั่นแหละทำสองครั้งไม่ได้ก็เลิกทําันะไม่เอาลนะครูก็ดีนะครูแทนที่จะยอมอ่อนข้อให้นะครูก็พยายามเชื่อวเข็ญให้เด็กเนี่ยทําอีกทำอี ก, อกเด็กก็ทํานะครั้งที่สามก็ติดอีกตอนนี้เด็กร้องหนะกกไห้แล้วเด็กบอกไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ครูก็ไม่ยอมนะครู ญ, ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆเขาบอกเธอต้องสู้นะคนอื่นทาได้เธอต้องทําได้เด็กก็ทำอยู่ใั้นที่สี่นะติดนะติดอยู่ข้างบนเน่ยมันไม่ไปไหนมันติดข้างบนโอ้โ oh, หเด็กนี่ร้องไห้เลยเด็กบอกไม่เอาแล้วฉันไม่เอาฉัเลิกทำแนละ้แต่ครูนี่ก็รู้ว่าเด็กทําได้ครูทำยังไงรู้ไ่มครูไปบอกให้เพื่อนๆเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยไปลุมล้อมเด็กคนนี้ แล้วก็ให้กำลังใจว่าเธอทำได้เธอทำได้นะเด็กคนนี้เนี่ยหายร้องไหนะ้ได้กำลังใจแต่เพื่อนอเอาใหม่ตอนนี้จะถอยหลังเลยนะไปกายแล้วก็วิ่งนวิ่งมาพอถึงบ่อ ก, ก็จะเด้งเหยียบบ่อแล้วกระโดดสปริงตัวขึ้นมาแล้วก็เอามือเนี่ยยันยันหลังหลังโต๊งเนี่ยแล้วก็สามารถจะก้าวข้ามนะไปได้โอ้คนก็ดีใจใหญ่เลย แสดงว่าอะไรแสดงว่าเด็กทาได้แต่เด็กเนี่ยาจไม่กล้าเด็กค้อถอยแพ้ผิดภาดครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยคิดว่าไม่ไหวแน่ผิดภาดครั้งที่สี่ก็คิดว่าเลิกดีกว่าแต่ที่จริงเด็กทําได้เด็กมีกําลังใจบางทีเราต้ออาศัยเพื่อนๆให้กําลังใจนะถ้าเราเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนนะเวลาเราค้อถอยเนี่ยเพื่อนก็จะให้กําลังใจเรานะนะ สองข้อแล้วนะความดีที่เราควรจะมีหนึ่งนะอะไรมีน้ำใจสองมีความเสียเทีสามมีความซื่อสัตย์สุจริตนะซื่อสัตย์สุจริตสมัยนี้นี่มันซื่อสัตย์ยากนะเพราะว่าเวลาเราดูบอลเนี่ยดูบอลเนี่ยเห็นไหบางทีนักกีฬาเก่งๆเขาก็ยอมโกงเขายอมทาผิดกติกาเขายอมฟาว ก็ยอมโกงนะเพื่อเพื่อจะได้ได้เสียคะแนนเพื่อจะได้สามารถยินประตูได้ผู้ง่ายคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นคนโกงหรือความโกงเกิดขึ้นทั่วไปนะไม่มีความซื่อตรงความผิดกติกาทําไงก็ได้ขอชนะทำไงก็ได้ขอให้รวยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนักเรียนก็มีความเชื่อว่าทำไงก็ได้ขอให้เรียนเก่งได้คะแนนนี้เยอะนะเราต้องซื่อสัสตย์จริงนะถึงแม้ว่า รอบตัวเรามันจะมีแต่เรื่องราวของคนที่โกงนะนักกีฬาก็โกงนะใครต่อใครก็โกงโกงและโกม้อยประดีบางทีแต่ตัดขาผู้แข่งนะบางทีเอาจนผู้เอาเอาจนผู้แข่งสลบเลยนะเชื่อว่าตัวเองจะได้เข้าไปยิงประตูได้หรือเพราะว่าเขากำลังจะทําให้เราเสียประตูก็ต้องจัดการนะอันนี้มันเป็นความไม่ซื่อสัตย์นะเป็นความที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เราอย่าเป็นอย่างนั้นนะั่นเร า, าต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะเะความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญได้เก่งนะแต่จะไม่มีความสุขถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ทุจริตไม่โกงไม่หลอกลวงนะไม่ทําการบ้านก็ไม่ได้ไปไปไปลอกการบ้านไครเวลาสอบก็ไม่ทุจริตในข้อสอบ มีเด็กคนหนึ่งนะอาตมาประับหลวงพอประทับใจมากนะชื่อยุ้ยนะเป็นเด็กกาลสิงห์นะเป็นผู้หญิงอยู่ม .4 เป็นเด็กขยันเรียนมากทั้งที่ป่วยเนปะ็นมะเร็ง น, นะแต่เธอก็ขยันเรียนจนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งในระดับจังหวัดได้ที่หนึ่งในระดับจังหวัดก็ไปแข่งในระดับประเทศแต่ว่าวันที่แข่งเนี่ยนะแข่งระดับประเทศจะจะไปไม่ได้ ก็เลยมีการขอนผานให้สอบร่วงหน้าสอบที่ไหนสอบที่จังหวัดสอบที่โรงเรียนของเธอครูจัด ก, ก็ให้ให้ข้อสอบมาแล้วให้เธอทําคนเดียวในห้องเธอทําทเสร็จส่งยื่นกระดาษข้อสอบให้ครูที่ครูที่ควบคุมการสอบก็ถามเธอว่าข้อไหนทําไม่ได้เธอบอกมีสอข้อทําไม่ได้คือข้อนี้กับข้อนั้นครูก็เลยบอกว่า ไม่ยากหรอกนะเดี๋ยวจะเฉลยข้อสอบ ใ, ให้เฉลยเสร็จ น, นะครู mm hmm. บอกอยังไง ร, รู้ไหมบอกให้เธอไปแก้แต่แก้คําตอบในกระดาษข้อสอบถ้าเป็นเราเราจะทํานะไม่ทายื้ก็เหมือนกันบอกยื้ไม่ทําหรือบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าได้ที่หนึ่งแล้วแต่ได้มาด้วยการโกงการไปแก้ข้อสอบเนี่ยเมื่อรู้คําเฉลยที่ถือว่าโกงนะ รู้บอกว่าถ้าได้ที่หนึ่งเพราะไปโกงเนี่ยมันไม่ภูมิใจนะได้ที่2อนะแต่ว่าทาด้วยน้าพัดน้ำแรงของตัวอย่างนี้ภูมิใจกว่าบอกว่าเธอได้ที่สองนะเธอไม่ได้เป็นที่หนึ่งในระดับประเทศแต่เธอไม่เสียใจเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่เธอทำนะด้วยความเพียายามของตัวแล้วเป็นสิ่งที่เธอภูมิใจเพราะว่าเธอมีโอกาส มีโอากาสจะโกงพรอบคูเผื่อโอกาสให้แต่เธอไม่ทำคภูใจในความดีของตัวนั้นก็ขอให้เรานะมีความมีความีมามสามประการนี้นะ น, นะมีน้ำใจนะนะมีความขยันนะใจสู้นะแพ้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไม่ยอมเลิกความเพียรนะแล้วข้อที่สาคือคความชื่อตรงหรือซื่อสัตสุจริ์ ถ้าทําได้สามอย่างนี้เนี่ยนะจะเป็นลูกที่น่าภาคภูมิใจของพระเวดเจ้านะจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จะเป็นหลานที่ดีของปู่ย่าตายายและภูบาจารย์ของพวกเราในที่นี้ที่เล่นทั้งหลายลวงพ่อลวงพี่แม่ชีก็จะภาคภูมิใจก็ครบนหน้าสินาทีอ่ะนะแขมให้แขมให้พวกเราเป็นคนดีแขมให้นะ เพราะว่าต่อไปก็คงจะไม่ได้เจอกันแล้วนะก็ อ, ะอยากจถือโอกาสนี้นะขอบคุณนะขอบคุณพระที่เรียนทุกท่านแล้วก็แม่ชีที่เป็นที่เรียนตลอดจนพี่ๆนะที่เป็นสตาให้กับพวกเรานะเขาลา ง, งาน ม, มาเนี่ยสามอาทิตย์เพื่อมา ช่วยเรานะให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่สำคัญแห่งชีวิตนะก็ในนามของปาชสุภโตก็อยากจะขอบคุณท่านเหล่านี้รวมทั้งแม่แมครัวทั้งหลายนะที่มาทำอาหารให้พวกเราตลอดนะ25วันและที่จะมองข้ามไปคือขอบคุณพวกเรานะลูกเนรลูกศีนะที่ได้ให้ความร่วมมือนะนกับการเรียนรู้ การที่พวกเราเนี่ยนะตั้งใจนะช่วยทำให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้การที่พวกเราเนี่ยนะ อ, อยู่ในสิ่นะปฏิบัติตามระเบียบปรับ ต, ตัวเรียบร้อยเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆนของเรานะได้มีโอกาสเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างถ้าเพียงแต่คนใดคนหนึ่งป่วนนะวุ่วาย ไนปฏิบัติตามระเบียบ น, นะชอบแก้งเพื่อนการเรียนรู้ของพวกเราทั้งเกือบร้อยชีวิตก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากนะเพราะนั่นก็อยากจะขอบคุณพวกเรานะทุกคนและเมื่อเรากลับไปบ้านก็อย่าลืมว่าให้เป็นเกลือรักษาวความดีเอาไว้นะเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยก็ขอให้แม่เนี่ยพ่อเนี่ยพาภู้ใจในตัวเรานะ นี่คือวิธีที่จะต่ออายุของพ่อแม่เพราะเมื่อพ่อแม่มีความสุขพ่อลูกเป็นคนดีนะลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขความสุขของพ่อแม่่อทำให้ท่านมีอายุยืนนะเราสามารถจะต่ออายุ ข, ของพ่อแม่ได้ด้วยการทาความดีแล้วเมื่อไปกลับไปบ้านแล้วก็ก็ขอเรารึกถึงที่นี่ไว้บ้างนะเวลามีความสุขไม่ต้องรึ้ก็ได้ แต่คอยนึกเวลมวา ม, วลมีความทุกข์เวลามีความทุกข์อยนึกถึงที่นี่นึกถึงคาสอนที่หลวงพี่นะหรือว่าแม่ชีได้แนะนำเรานึกถึงความยากลาบากที่เราฟันฝันมาด้วยมาได้ด้วยความเพียรพยายามนะนึกถึงความสงบนะที่เกิดจากจิดที่เป็นสมาธิมีสตินะเมื่อใดที่มีความทุกข์ลอนึกถึง ความสึกดีๆประสบการณ์ดีๆสิ่งนั้นเราจะช่วยเราได้ให้ผ่านพ้นความทุกไดน้นะและถ้าหากว่าจะมาเยี่ยมมาเยียมนะที่นี่ใหมก่ก็ขอเชิญได้ไม่ว่าจะปีหน้าหรือ10ปีหน้าหรือ20ปีข้างหน้านะมาแล้วก็บอกกันเดี๋ยวเราเคยมาบวชในที่นี่นะเคยมาเป็นศีษที่นี่น ะ, ะที่นี่ต้อนรับเสมอไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามนะแล้วถ้ามีลูกนะก็พาลูกมานะมีหลานก็พามานะ ก็ไมาได้เลีนยนรู้นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาศึกษานะอยากศึกษาเองเนี่ยศึกษาเข้มข้นนะธรรมญาติตารอพวกเราอยู่นะหนึ่งถึงแปดธันวะานะคราวนี้เนี่ยไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนนะไม่ได้รับเฉพา ะ, ะเด็กผู้หญิงผู้ชายนะรับทั้งพ่อแม่ด้วยผู้ญาติตายาด้วยนะใต้ที่ใต้ที่ทุ่งกรรมนี่มีแต่เด็กพวกเราเนะี่ย มาเข้าค่าแต่ธรรมยาตาเนี่ยทุกเพศทุกวัยแม้แต่เด็กห่าปววเด็กสามปวก็มาเดินธรรมญาตาเด็ก4ี่ปัวกก็มาเดินผูรร้ใหญ่วิ่เดสิ ก, ก, ก็มาเดินดกกด น, นะหลกยตอนเท่านั้นแหละสาหรับพวกเราแล้วนี่เป็นเรื่องคิดจอยมากถ้าผ่านค่ายมมาแล้วนะก็ขอเชิญ น, นะธรรมญาตาหนึ่งถึงพันวาปีนี้นะมามาเชื่อเป็นสาําชิกเป็นนส า, าสมารก็ได้นะ อ่ะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขออ้านคุณพระศรีรัตนกรัยนะพวกเราเนี่ยมีพระรัตนเกิดพระรัตนกัยเกิดที่ขึ้นก็ขอรึกถึงคุณพระรัตนกรัยด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนกรัยอานว์อวยผลให้ลูกเนรแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ญนะาติผู้ใหญ่ที่ม า, ารับเราในวันนี้ขอให้มีอ า, อายุวันน่าสุขภาระ มีความสุขความเจริญทั้งในการงานแล้วก็ในธรรมะขอให้ธรรมะที่ได้บำเพ็ญช่วยอธิบารักษาให้ปลอดภัยกายทุกมีความสุขเสงมสารติดเบิกบานนะมีความสุขสำราญให้ทุกคนแห่งทำการงานแม่ประสบประสา์ก็ขอให้ก้าวข้ามประสาทเ่าได้ยดีและขอให้พวกเราทุกคนที่เป็นลูกในลูกศิษย์ขอให้เป็น ดางเพื่อที่รักษาความเข้ม น, นำคุณงามความดีมาต่อยอดให้เจริญงอกงาม น, นะจะเป็นชาวพุทธนะที่ดีนะเป็นลูกนะที่เจริญนะของพ่อแม่และขอให้ได้นะเป็นบุคคลนะที่จะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลประเทศชาติให้มีความสุขความเจริญนะก็ขอให้ความสุขเหล่านี้ความดีเหล่านี้นะเพื่อรักษาทุกคนให้ ปลอดภัยนะมีความสุขความเจริญกับทุกคนด้วยเถิดสาธุ